อันพระองค์ก็เลยอันนะเหตุผลที่เรียกว่าเดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากลําบากนะแล้วก็พระองค์ก็มาถึงแท่นนั้นนะนะพระนนท์ก็ช่วยจัดเตียงเสร็จพระองค์ก็ประทับเนะี่ยะสําเร็จสีหาัสายาดเนี่ยนะสีหัสายาเป็นแต่ของพระองค์นั้นด้วยชานสีพระองค์เข้าชานสีเอาเท้าซ้อนเท้าเนี่ยนะเพื่อที่จ ะ, ะไม่ให้เรียกว่านอนในท่าที่สบายที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น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 ไม่ได้งีบเลยนะไม่ได้เวลาสำนวนว่าไม่ได้พักผ่อนแบบธรรมดาทั่วๆไปไม่มีเวลาเข้าผวังวังนั้นไม่มีเวลาเข้าผวังยาวๆที่เรียกว่าแอ บ, บงีบปลับเป็นต้นไม่มีจริงอยู่ปฐมยามพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดเจ้ามาละทั้งหลายต้องแสดงธรรมสงเคราะห์พวกเจ้าเมืองเองนะ น, นะโปรดเขานะอย่าลืมว่าพระองค์เนี่ยผู้ที่สร้างบารามีมาเพื่อที่จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่ลุกไม่ขึ้นแล้วก็ยังช่วยเขาได้ ช่วยแสดงธรรมให้เขาบารรลุมรรคผลมัชชิมยามเนี่ยนะช่วงตีสองถึงเอ่อช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองก็แสดงธรรมโปรดสุพัฏะปัชชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็โอวาทสั่งสอนพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายแนะนำพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายใกล้รุ่งเรียกว่าใกล้วกสว่างจวนสว่างเต็มทีพระองค์ก็ดับขันธปรินิพานนะ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 ดับขันปรินิพานไปแล้วแม้แต่พระาธาตุหรือกระดูกทั้งหลายก็ยังช่วยผู้อื่นให้ให้สําเร็จบุญกุศลเป็นต้นแม้กระทั่งคําที่พระองค์ได้โอวาสสั่งสอนเอาไว้คําสอนเหล่านั้นก็ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เกิดการตรัสรู้ธรรมนี่ตอนที่พระองค์ประทับสําเร็จสีห์สายาเตียงสุดท้ายนั้นในข้อ129หน้า306สมัยนั้นไม้สาระทั้งคู่ นะต้นสาระที่อยู่ทั้งข้างพระเศียนและก็ทัทง่ทงเทาง้าทั้งพระบาทเนี่ยนะทั้งต้นนั้นก็เผลัดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูการดอกไม้เหล่านั้นที่เบ่งบานเต็มที่ก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงยังศรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตก็คือเทพพ ย, ยดาที่อยู่ในต้นสาระนะที่สิงอยู่ในต้นสาระก็ทําให้เกิดออกดอกเบ่งบานแล้วก็ให้ดอกเนี่โยโปรยปลายลงใน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 แครียกว่าผงหอมเนี่ยนะผงผงแก่นจันทหอมเนี่ยก็บูชาและผงแก่นจันท์เหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปรายลงมายังสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดนตรีอันเป็นทิพเล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตสังคีตะเครื่องบรรเลงเสียงอันเป็นทิพ ก็เป็นไปในอากาศเนี่ยดนตรีการขับร้องการประโคมก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยั่วยวนบาปอากุศลแต่เป็นสีกลิ่นรสทุกอย่างเนี่ยนะที่เรียกว่าดีที่สุดเพื่อบูชาพระตถาคตเพราะเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะประสงบุญ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็รับสั่งกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอนน์ไม้สาระทั้งคู่เพล็ดดอกบานสะพั่งนอกรอดูการร่วงหล่นโปรยปลายลงมายังสริระของพระตถาคตเพื่อบูชาตถาคตแม้ดอกมณฑารบอันเป็นของทีพก็ตกลงมาจากอากาศดอกมณฑารบเหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปลายลงมายังสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคต อ น, อนุ์แม้จุนแห่งจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศจนแห่งจันทร์เหล่านั้นก็ร่วงหล่นโปรยปร า, ายลงอย่างสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดนตรีอันเป็นทิพย์เล่าก็ประคมอยู่ในอากาศเพื่อบูชาตถาคตแม้สังขีตะอันเป็นทิพย์ก็เป็นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคตดูก่อน อ, น, อนุนตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัท บริษัอะไรนะมนุษย์บริษัทที่จาตูมดาวดึงบริษัทเทพบริษัทพรหมบริษัทเป็นต้นเนี่ยนะบริษัทเหล่านั้นเนี่ยการที่เป็นอย่างนี้จะชื่อว่าบริษัทสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมตถาคตด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หามิได้นี้ไม่ใช่เป็นการบูชาเรานะพูดแบบภาษาเราเราง่ายๆกว่าไอการที่มีเครื่องสักการะเหล่านั้นเนี่ยมาโปรยราดรดลงที่สรีระนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเรา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 โอวาดแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนการตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงอัตถกฐานหน้า417ย่อหน้าสุดท้ายบทว่าสัพภาพภาลิพุลาความว่าต้นสาระทั้งคู่บานสพรั่งดารดาดาษไปนด้วยดอกไหมนะ ตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดไม่ใช่แต่ต้นสาระคู่อย่างเดียวเท่านั้นท่านบอกว่าดอกไม้ทั้งหมดก็ผลิต ด, ดอกบานสะพังเหมือนกันหมดดอกไม้ต้นไม้ที่มีดอกทุกต้นมีดอกหมดเลยมีใช่แต่ในสวนนะสารวันสวนนั้นเท่านั้นน่ะแม้แต่ในหมื่นจั ก, กรวาลไม้ดอกก็ผลิตดอกไม้ผลก็ผลิตผลต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าจะเป็นขันทปฐุมเรียกว่าขันทปฐุมก็บานที่ลำต้นขันท่าแปลว่าลำต้นน่นะ ดอกไม้บางพวกบานที่ลำต้นบานบางพวกก็บานที่กิ่งบางพวกก็บานที่เครือวันเถาวันบางพวกก็เช่นอากาศปฐมก็บานบนอากาศดอกขันทัปฐมก็แทรกพื้นดินขึ้นมาบานที่กับดอกไม้เนี่ยบานงดงามมากเลยนะทั้งที่ยริงมันก็เป็นอย่างนั้นบางคนบอกอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราถ้าใครที่เป็นนักดูพื้นพื้นพื้นดินเนี่ยนะ รู้จักพื้นแผ่นดินเยอะๆเนี่ยบางแห่งแค่ฝนตกลงมาครั้งเดียวเท่านั้นอะ่ะเมล็ดพันธุ์แลวนั้นอ่ะนะมันงอกแล้วมันบานงดงามไปเป็นเป็นอะไรเป็นพื้นที่เป็นหลายๆ10ิบไร่อะ่ะหลายๆกิโลอะ่ะไอพวกชุกนั้นเนี่ยนะแค่ฝนตกลงมาไม่ใช่ว่ามีบุญหนักสักใหญ่เช่นกับพระพุทธเจ้าพรานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพยายามที่พระองค์จะดับคันธปรินิพานถามจริงว่าตลอดสังสารวัตพระองค์บูชาด้วยดอกไม้มากี่ดอกแล้ว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 เหมือนลำแผนหางนกยูงที่มัดติดกันเป็นพืชเรียกว่ามวลดอกไม้บูชาตลอดทั่วจักรวาล น, นั้นเหมือนพวงดอกและช่อไม้ติดกันไม่มีระหว่างดอกเหมือนดอกไม้ประดับศีสษนที่ผูกเบียดกันเป็นอันดีเหมือนพระอบที่มีดอกไม้เต็มบทว่าเตตถาคตะ ส, ะส ร, ริงโอกรันติสาระคู่นั้นถูกภูมิเทวดาเขย่าต้นกิ่งและขาคบโปรยลงสู่สรีระของพระถาคต เหมือนโรยลงบนพระสรีระนะทั้งดอกไม้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดอกมณฑาเรียบแม้กระทั่งละอองเกสรดอกไม้มณฑาเรียบดอกพระริชตะกะดอกทองหลังแต่และอย่างบรรจุเต็มผ้าผ้าอบทองเนี่ยเต็มเทวดาที่อยู่ขอบปากจักรวาลเทวดาชั้นดาวเดืองพรห ม, มโลกก็เอามาโปรยเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้านั่นนะ ทั้งหมดทั้งดอกและกลีบก็ราดรสไปกระจัดกระจายไปในสรีระต่างๆของพระองค์แม้กระทั่งว่าทิพานนิจจันทะจุดานจุนานิก็คือผงจันทร์ที่สําเร็จรูปของเหล่าเทวดามิใช่ผงจันท์ที่สําเร็จรูปของเทวดาเท่านั้นแม้กระทั่งผงจันของพวกนาครุษมนุษย์และก็ผงไม่ใช่ผงจันทร์อย่างเดียวก็มีผงคันธชาติทิพทั้งหมดกฤษณาจันทร์แดงผงหรดาแร่พลวงเงิน และแร่ทองเป็นต้นที่อบด้วยกลิ่นทิดทั้งหมดบรรจุเต็มหีบเงินและหีบทองเทวดาที่อยู่ขอบปากจั ก, กรวาลก็นําเข้าไปเนี่ยไม่เรียรายในระหว่างแต่ก็โปรยลงใส่สรีระของพระตถาคตทั้งนั้นแหละนะเพื่อเป็นพุทธบูชาแม้แต่กลองของเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลกลองหนะ้ากลองครุดกลองมนุษย์กลองหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องดนตรีอย่างอื่นทั้งครื่องเคืองสายหรือหุ้มหนังทึบโพรงหรือว่า โปร่องอะนะหรือว่าทุกชนิดก็บรรเลงเสียงดนตรีเป็นพุทธบูชาหมดแม้กระทั่งว่าอนะสังคีตะอันเป็นทิพย์เช่นเทวดาผู้มีอายุยืนชื่อวารุณนะเทพวารุณเหล่านั้นทราบว่าพระมหาบุตษบังเกิดในถิ่นมนุษย์จักเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีเทวดาบางพวกนะเทวดาชื่อว่าอวารุณหรือว่าเทพ ว, าวารุณเนี่ยนะวรุณเ ท, ทวดาวารุณเนี่ยเป็นเทวดาที่มีอายุยืนมาก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 แล้วก็ทราบว่าวันนี้พระองค์จะปรินิพพานนอนตะแคงขวาระหว่างคู่สาระมีสติสัมปชัญญะจะปรินิพพานจวนรุ่งแล้วก็มีแววเสียงว่าท่านร้อยพวงมาลัยเพื่อใครนี่อะไรกันบอกวันนี้พระเองเน่ยเอ๊เขาคิดไหนความที่เขาอายุยืนมากอะไรกันเนี่ยวันนี้พระองค์เพิ่งปฏิสนธิแล้วก็คลอแล้วก็บวชตรัสรู้ประกาศธรรมจกักแสดงยมกะลงจากเทวโลก p r o อายุสังการแล้วก็ปรินิพพานวันเดียวกันหรือ อายอเุเขายืนมากอะนะไอความที่อายุยืดมันแบบเดียวทําไมมันเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะสำหรับเทวดาแล้วก็มองอายอุยทัำมนุษย์เนี่ยแหมเหมือนกับหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าจริงๆมันน้อยเนี่ยนะมันน้อยนิด ๆ, ๆเดียวเนี่ยนะแต่ของเราโอ๊ยอีกนานตั้ง3มวันนี่ยสบายมีอะไรทําเยอะแยะเลยอีกตั้ง3าวันเนี่ยไว้อีกตั้ง3มเดือนไว้อีกตั้งสปีเนี่ยนะโอ้ยยืดยาวนานแท้เนี่ยนะพอถึงวันเข้าจริงๆก็เดือดร้อนเร่าๆว่ า, าอโอ้ยทํำไมมันสั้นขนาดนี้เนี่ยนะ แม่อาตอนที่ธรรมดาเนี่ยอุ้ยอีกนานอีกนานตั้งตั้งแต่จริงที่ไหนได้มันล้มไปตั้งนานแล้วไม่ตั้งแล้วล่ะก็เลยคิดว่าโอ้ยพระองค์นี้ก็มีดำชีวิตดำรงอยู่เท่ากับเวลาดืมข้าวต้มเหมืนกัน่ะนะดืมน้ำข้าวต้มเนี่ยในวันที่สองหรือไม่หนอเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้ไม่สมควรบัดนี้พระองค์เนี่ยบําเพ็ญบารมีสามสิบทัดบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าจําเราจักถือพวงมาลัยที่ยังไม่เสร็จมา เมื่อไม่ได้โอกาสภายในจักรวาลวิธีไอพ้พ่วงมาลัยเนี่ยมันใหญ่มากคิดดูร้อยเป็นใช้เวลาเนี่ยนะ80ปี81ปีในการร้อยเนี่ยแล้วเทวดามจะเราขนาดไหนใะชมันใหญ่มากใหญ่แค่ที่ว่าแบบไม่รู้จะว่าวางนัอนไรวางขอบปากจักรวาลหนึ่งวางพาดอีกจักรวาลหนึ่งดอกไม้ใหญ่มากเขาเรียกว่าเลยคล้องที่ขอบปากจักรวาลแล้วก็วิ่งเล่นไปตามขอบปากจักรวาลเอาประหัดเกี่ยวหัดแล้วก็สอ ส, ส้อน ขับกล่อมปรารบพระัตน์ตรายก็เหมือนกับเราแบบแหมปกติพวงมาลัยทั้งหลายก็ใส่ข้อมือใส่อะไรได้เดีวยวคำว่าร้อยประเภทพวงมาลัยหุ้มพระเจดีย์ทั้งองค์อ่ะประเภทนั้นแหละเป็นพุทธบูชาเสร็จแล้วก็ขับกล่อมร้องเนี่ยนะร้องเพลงสรรเสริญปรารบว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะสาสองประการอะไรบ้างเชื่นชมพระสัพพันพระชับ พ, พันนรังสีรัศมีที่แผ่สร้างจากพวรกายทั้งหกสีแล้วก็ ทศบารมีสิบที่พระองค์ได้เจริญมา น, นะสันเสริญชาดกห้าห้าเรื่องสันเสริญพุทธญาณ14เช่นญาณในอาสาธรณญาณหยญาณในอริยสัจ ส, สี่ญาณในปฏิสัมพิธาสี่เป็นต้นในที่สุดพุทธคุณนั้ น, น, นก็จำต้องละไปถึงผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในที่สุดก็ยัง ดับขันไม่มีเหลือเลยสังขารทั้งหลายจะเที่ยงมาจากไหนมันทุกอย่างก็ทำบอกโอ้พระองค์พูดทรงคุณอย่างนี้ก็ยังเสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยนะเป็นคนทั่วๆวไปบอกโอ้นี่มาแช่งหรือม า, มาอะไรกันแน่นะแต่จริงๆบอกโอ้สังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ